หัวเราะที่ดังที่สุดของหมามกันปีแรกที่อาตมาเป็นพระอยู่ในภาคอีสานตรงกับปีสุดท้ายของสงครามเวียดนามมีฐานทัพอากาศของอเมริกันตั้งอยู่ใกล้ๆวัดของหลวงพ่อชาซึ่งอยู่ใกล้ๆตัวเมืองอุบล หลวงพ่อชอบที่จะเล่าเรื่องจริงต่อไปนี้ให้พวกเราฟังเพื่อแสดงว่าเราควรจะทำอย่างไรเมื่อโดนคนกลั่นแกล้งหรือต่อว่าทหารจีไอคนหนึ่งกำลังนั่งรถสําล้อจากค่ายเข้าเมือง เมื oui bar bar water, ่อรถสามล้อวิ่งผ่านบาร์ข้างถนนแถวแถวชานเมืองที่เพื ah ่อนๆนของคนขี่สามล้อกำลังนั่งดื่มและเริ่มจะเมาได้ที่แล้วพวกเขาตะโกนเป็นภาษาไทยว่าเฮ้ยเอ็งจะพาไอ้หมาสกปรกตัวนั้นไปไหนวะพูดแล้วพวกก็หัวเราะกันชี้มือชี้ไม้มาที่ทหารอเมริกันคนนั้น ขั้วณะหนึ่งที่คนขี่สามล้อตกใจทหารอเมริกันตัวใหญ่และถ้าขารู้ว่ามีคนเรียกเขาว่าไอหมาสกปรกต้องเกิดเรื่องแน่อย่างไรก็ตามนายทหารคนนี้ยังคงนั่งเงียบๆมองไปรอบๆท่าทางเพลิดเพลินเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เข้าใจภาษาไทย คนขี่สามล้อจึงตกหลงใจที่จะร่วมสนุกบนความเสียหายของชาวอเมริกันเขาจึงตะโกนกลับไปว่าข้ากำลังจะพาไอ้หมาสกปรกตัวนี้ไปโยนลงแม่น้ำมูลให้ไอ้หมาพันทางมันได้อาบน้ำซะหน่อย ขณะที่คนขี่สารล้อและเพื่อนๆที่เมาของเขากำลังหัวเราะกันนายทหารอเมริกันก็ยังคงนิ่งเฉยเมื่อพวกเขามาถึงจุดหมายปลายทางและคนขี่สามล้อแบมือขอรับค่าจ้างนายทหารอเมริกันก็ก้าวจากไปเงียบ คนกี่สามล้อตะโกนอย่างตื่นตระนกไล่หลังเข้ามาด้วยภาษาอังกฤษแบบงูงูปลาปลาแต่ได้ความหมายชัดเจนว่านี่คุณจะใหดอลลาร์ผมด้วยทหารอเมริกันร่างใหญ่หันกลับมาอย่างสงบและพูดด้วยภาษาไทยที่ชัดถ้อยชัดคำที่สุดว่าหมาไม่มีเงิน